ตอนศีลอริยะคนเราทุกวันนี้ชาวพุทธทุกวันนี้รักษาศีลผิดกันเกือบหมดเป็นศีลัพะตะปรามาตรเกือบทั้งหมดบางคนพอพระท่านให้ศีลห้าหรือสมาทานศีลห้าพอมาถึงข้อที่ตัวเองขาดตกบกพร่อง ทำไม่ได้รักษาไม่ได้ก็นั่งก้มหน้าก้มตาว่าตามเสียงเบาๆไม่ยอมศบตาพระแต่พอข้อไหนที่ตัวเองรักษาได้ดีปฏิบัติได้ดีก็ว่าตามเสียงดังฟังชัดกันเลยทีเดียวเชิดเต็มที่ฉันทำได้ข้อนี้ ข้อนี้ฉันรักษาได้ดีไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดที่พูดมาถือว่ายังรักษาศีลแบบผิดทางอยู่มันยังเป็นศีลพะตะปรามาดมันยังเป็นศีลพดอยูม่มันเป็นการปฏิบัติที่ผิดจากความมุ่งหมายเดิมของพระพุทธองค์ ท่านตรัสสอนเรื่องศีลหศีล8ศีลสิบศีล227สศีล311 ส, 7, สต่างต่างไว้แต่คนสมัยนี้รักษาศีลกันแบบกระท่อนกระแท่นกระดำกระด่างน้อยคนมากที่จะรักษาศีลทะลุพุทธบัญญัติ แล้วเข้าสู่พุทธเจตนาย่างแท้จริงถ้าชาวพุทธทุกคนศึกษาเรื่องศีลหรือเข้าใจเรื่องศีลให้ได้ตามพุทธเจตนารมณ์การรักษาศีลก็ไม่ใช่ของยากเลย แต่ถ้าเรารักษาศีลเพียงเพราะว่าเป็นพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าดำรัดไว้การรักษาศีลของเราก็จะกระท่อนกระแท่นแล้วก็เกิดการขอพร อ, อวยพรในศีลกันจากที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติศีลขึ้นมาให้พวกเรา อยู่กันอย่างสันติอยู่กันอย่างสงบสุขแต่จะเป็นการรักษาศีลกันเพื่อการเป็นอยู่อย่างสวยงามเพื่อการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมโชคลาภเพื่อให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อเสริมบารมีเพื่อปัดทุกข์ปัดโศกทุกวันนี้ เป็นการแบบนี้เสียส่วนใหญ่เป็นการรักษาศีลที่ผิดพุทธเจตนาเกือบทั้งหมดทีนี้มาดูกันว่าพุทธเจตนารมณ์ในเรื่องของศีลอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระพุทธองค์บอกไว้ว่ามันคือศีล ศีลแปลว่าปกติแต่ทุกวันนี้คนมาแปลกันผิดว่าปกติต้องมีศีลมันไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าปกติต้องมีศีลแต่ศีลละที่มาจากภาษามาคตมันแปลว่าปกติเฉยๆไม่ได้แปลว่า ปกติต้องมีศีลแล้วปกติเป็นอย่างไรละ่ะปกติก็คือสันติและที่มันสันติได้ก็คือมันมีความสงบและที่มันสงบได้ก็คือมันไม่วุ่นวายไม่ได้โวยวายมันไม่วุ่นวาย ไม่ไวุ่วายเพราะมันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันท่าในภายในของบุคคลใดก็ตามหรือภายนอกของบุคคลใดก็ตามระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกันระหว่างครอบครัวหนึ่งต่อครอบครัวหนึ่งด้วยกันระหว่างสังคมหนึ่งต่อสังคมหนึ่งก็ตาม ระหว่างประเทศหนึ่งต่อประเทศหนึ่งก็ตามระหว่างจิตตยานดวงหนึ่งต่อจิตตยานดวงหนึ่งในชั้นภูมิใดก็ตามไม่ได้มีการกดขี่ข่มเหงเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วใสความวุ่นวายโวยวายก็ไม่เกิดพอความวุ่นวายโวยวายไม่เกิด นั่นแหละเราเรียกว่าความสงบและที่มันสงบสงบอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเราเรียกว่ามันสันติแล้วและที่มันสันตินั่นแหละมันปกติมันปกติภาษามคตเรียกว่าศีลฉะนั้นทุกอย่างในสาล น, นี้ คือศีลทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปละเมิดกับมันหรือจะวางมันลงศีลทุกข้อก็คือวางอยู่แล้วไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วคนเราจะไปรักษาศีลห้าศีลแศีลสิบศีล2อง ศีล311ได้อย่างไรถ้าภายในใจนี้ยังมีการเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นเรื่องการถือศีลกินเจที่ยกตัวอย่างเรื่องนี้ก็ไม่ได้ต่อต้านการถือศีลกินเจแต่อย่างใดและก็ไม่ได้บอกว่าผิด แต่จะบอกสิ่งที่ยิ่งกว่าการถือศีลกินเจยกตัวอย่างมีคนคนหนึ่งถามพระว่าเขาถือศีลกินเจมานานเกือบสิบปีอานิสงส์มากมายสิ่งเหล่านี้ช่วยให้นิพพานพ้นทุกข์ได้ไหมพระท่านตอบกลับไปว่าการกินเจจริงๆคือการหยุด เบียดเบียนสับปชิวิทั้งหลายแต่ถ้าภาพภายนอกนี้คือเราเลิกกินเนื้อแล้วละ่ะแต่ภายในใจนี้ยังมีการเพ่งจับผิดจับถูกคนอื่นคนโน้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นยิบยิบย่อยๆอยอยู่ตลอดเวลามันก็ยังไม่จัดว่าเป็นการถือศีลกินเจ ที่บริสุทธิ์ได้ภายนอกเราไม่ทําลายเนื้อหนังบางสาของเขาแล้วแต่ภายในยังทําร้ายเขาด้วยความรู้สึกนึกคิดอยู่เธอเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างโน้นคนโน้นเป็นอย่างนี้ยิบยิบย่อยย่อยยังเบียดเบียนกันด้วยน้ำสภาวะอยู่มันก็ไปไม่รอด มันก็ไม่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงการถือศีลกินเจอย่างแท้จริงก็คือภายในใจนี้หยุดเบียดเบียนเขาภายนอกจะกินหรือไม่กินเนื้อเขาแต่ภายในนี้เลิกเบียดเบียนเขาแล้วร่างกายภายนอกก็จะเลิกเบียดเบียนชีวิตสัพพสัตไปเองไม่ใช่ว่า ภายนอกเนี้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ฉันไม่กินฉันไม่กินเนื้อนะฉันกินแต่ผักฉันกินแต่ผักแต่ภายในใจก็ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่เธอเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ตุ้มตุ้มต่อ ม, ต, ม, ต, ม, ต, มต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมแบบนี้ก็ยังไม่ใช่มันไม่ใช่พรมจันร์หรือบริสุทธ อย่างแท้จริงของจริงหมายถึงภายในใจแล้วศีลจะเป็นพรหมจรรย์ของมันเองพอภายในใจของเรานี้กรองแล้วภายในของเราสรุปลงสู่ความไม่เบียดเบียนแล้วไม่ได้เบียดเบียน ด, ด้วยวาจาไม่ได้เบียดเบียน ด, ด้วยใจแล้ว กายจะเลิกเบียดเบียนตามไปด้วยเพราะกายวาจามันทำงานตามคำสั่งของใจหรือความคิดความรู้สึกภายในแล้วมันจะเป็นศีลเองและมันก็ไม่ใช่แค่ศีลห้าศีล8ศีลสิบศีล207ศีล311 แต่มันคือศีลพรหมจรรย์แห่งโลกกระทาสังสารวัตรเพราะมันไม่ได้มีจิตตยานดวงใดได้รับการกระทบจากใจเราไม่มีแม้กระทั่งกระแสความรู้สึกไม่เกิดการพุ่งเพ่งกระแสออกไปไม่เกิดการสร้างสภาวะิต สภาวะอารมณ์ออกไปทำร้ายทำลายจิตใจเขาไม่ใช่แค่เพียงคำพูดหรือการกระทำแต่จิตของเราเองมันจะครองของมันเองเราแค่ตรงต่อรหัสไสยที่ว่าไม่อะไรกับอะไรในสิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจแค่นี้ก็พอ แล้วภายในใจมันจะกรองของมันเองมันจะตัดของมันเองมันจะดับของมันเองต่อให้เราพยายามไหลไปตามกระแสะอารมณ์เพลินไปตามความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาขนาดไหนถ้าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ตรงต่อสัต ร, รม ไม่ตรงต่อความเป็นจริงแห่งธรรมชาติมันยังเป็นกระแสอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นการเบียดเบียนจิตตยานดวงอื่นอยู่ระบบจิตที่ตรงต่อสัจธรรมแล้วมันจะตัดให้เองอัตโนมัติเหมือนอยากจะพูดแบบนี้แต่มันไม่ตรงต่อความเป็นจริง ระบบจิตก็จะตัดให้เองไม่ให้พูดแบบนี้เหมือนอย่างจะทำแบบนี้แต่มันไม่ตรงต่อสัจธรรมมันตรงต่อกรรมหรือการสร้างกรรมต่อสัตประศรระบบจิตก็จะตัดให้เองไม่ให้ทำแบบนั้นมันจะกรองเองทั้งหมด สัจธรรมโลกุตรธรรมหรือนิพพานธรรมนี้มันเป็นระบบของการครองมันจะเหลือแต่สิ่งที่ดีๆระบบจิตจะตัดให้การคิดก็คิดดีการพูดก็พูดดีการกระทาก็ทำดีไปหมดฉะนั้น บทสรุปของศีลก็คือความไม่เบียดเบียนบทสรุปของธรรมก็คือความไม่ยึดบางคนก็รักษาศีลจังเรียบร้อยดีงามแต่ภายในใจนี้หลงยึดเข้าไปในศีลมันก็เลยกลายเป็นผิดความจริงของธรรมคือความไม่ยึด หรือยึดติดไม่ได้อยู่แล้วศีลนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมพอภายในใจเราลงตามวางตามจบตามดับตามธรรมธรรมะส่องสว่างขึ้นภายในใจมันก็จะเป็นศีลขึ้นมาเองไม่มีคนตรงต่อสัจธรรมคนไหน เที่ยวเอาปืนไล่ยิงเขาหรอกเขาด่าเรามาระบบจิตก็จะตัดให้เองอัตโนมัติไม่เกิดแม้กระทั่งความรู้สึกหรืออาการปฏิฆะไม่พอใจการตอบโต้ทางวาจาหรือทะเลาะต่อยตีกันทางกายก็ไม่เกิดแน่นอนการเบียดเบียน ย่อมไม่เกิดแน่นอนเมื่อทุกอย่างหมายถึงการปลงการปล่อยการวางภายในใจการกระทบกระทั่งกันก็ไม่เกิดการผูกใจเจ็บเก็บใจแค้นก็ไม่เกิดมันก็ไม่ล่วงละเมิดมันก็ปลอดภัยตลอด มันก็ไม่ผิดศีลและมันก็ย่อมไม่ผิดธรรมด้วยแล้วมันจะไม่เป็นศีลพัตตปรามาตมันจะตรงต่อความสันติแห่งศีลจริงๆมันจะตรงตามปกติที่แปล ว, ว่าศีลจริงๆฉะนั้นไม่ใช่แค่รักษาศีล และหมายถึงเข้าใจในแกนแท้แห่งศีลแล้วมันจะวางในศีลเอง